คือการกลับมากลับมาดูดตัวเรานะธรรมะไม่ฟังคำสอนจากพระพูดนะคำสอนที่ออกมาจากปากมธรรมาเนะี่ยมันก็เป็นจริงแค่คําพูดแต่ฟังธรรมจริงๆก็คือฟังให้เราตังมาได้ยินความรู้สึก ฟังธรรแล้วในดวงตาเห็นธรรมด้เห็นธรรมะก็คือเขาฟังคาพูดของพระพุทธเจ้าฟังคำสอนจากพระสงฆ์นะแล้วเขาก็ฟังมาเห็นสภาวะที่มันตรงกับคําสอนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั่นแหละคือการเห็นธรรมนั่นแหละถ้าเราฟังไปแล้วเราก็ทํามาดูกายคือใจของเราอยู่บ่อยๆเราก็จะเห็นธรรมะที่มัน เกิดขึ้นตลอดเวลาธรรมะที่เกิดขึ้นตลอดเวลาคืออะไรเช่นถ้าเราดูตายในตายของเราอยู่เป็นประจำเนาะมัาก็จะเห็นตายมันนั่งอยู่เห็นไหมเห็นตายเขานั่งอยู่ไหมเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตายไหมเช่นถ้านั่งนานๆเกิดความปวดเมื่อยนนี่นคือมันเกิดเวทนาของกายขึ้นมาแล้วทักทักหนึ่งฟอกเปลี่ยน เวทนาความปวดเมื่อยก็อาจจะหายไปเห็นความเสือ่อมไปความตับไปของเวทนาไม่นงะหรือที่จริงบางอยา่างมันก็เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นบัญญา น, นเช่นเรานั่งอยู่ก็มีการที่หายใจเข้ามันก็เปลี่ยนเป็นหายใจออกนะแนกะตาต้องเหมือนกันเดี๋ยวก็กระพริบเดี๋ยวก็อ่าเดี๋ยวก็ไม่กระพริบ มันก็เปลี่ยนไปเรืนะ่อยๆน่ะอันนี้คือถ้าเราดูกายในกายอยู่เป็นประจํนะเราจะเห็นกายมันมันไม่เที่ยงกายมันไม่ไอยู่ในรูปเดิม น, นะกายมไม่ใช่เราที่เป็นคนเดิมแต่กาย ม, มีความเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นนะถ้าเรามีความรู้สึกตัวนะจะเห็นว่าตืออ่นไปมันก็ยังมีความเปลี่ยนแปลงนะมันมีความเป็นทุนะเป็นทุกอย่างไร แค่เราหายใจเข้าเราตั้งลราหายใจไว้มันนริ่มทุกข์แลวเนาะมันอึดอัดเนีมันอยากจะละลายมันหายใจออกเราหายใจออกแล้วว่ามันสบายแต่ไม่อยากหายใจเข้าก็ไม่ได้อันนี้คือมันเป็นทุกข์นั่งนานๆปวดทั้งเลยมากๆ ก, ก, ท ก, ก็ทุกข์กายทุกข์กายยังไม่พอถ้าเรามีชอบเราก็ทุกข์ใจไปด้วย อ, อันนี้คือ มันก็แสดงทั้งความไม่เที่ยงแสดงความเป็นทุกข์แม้บางท่าแสดงความเป็นหน้าตาบังคับบัญชาไม่ได้มันเป็นไปตามเหงาไฟสายตรงมันให้เราเห็นนะมันหายใจก็หายใจของมันเองนะมันกระพริบตาก็กระพริบตาของมันเองมันปวดมันเมื่อยมันก็ปวดเมื่อยของมันเองเอาไว้ว่าภายในมันก็ทํางานของมันเองนะอืมเราไม่สามารถบังคับบัญชามันได้นะ เราจะทําได้เพียงแค่นะเปลี่ยนท่านั่งอนะหรือว่าขยับมือนะแต่จริงมันก็เป็นเพียงแค่ส่วนน้อยของกายนะแต่จริงกายก็แสดงความเป็นไปของเขาเองให้เราเห็นนะถ้าเรากลับมารู้สึกตัวไปบ่อยเราจะเห็นเห็นสิ่งที่กายก็แสดงให้เราเห็นอันนี้หลักคือการเห็นธรรมเห็นธรรมวที่เกิดขึ้นกับกายของเรา ความท่เกิดกับกายของคนอื่นของทิ่อื่นก็เหมือนกันแต่พอเห็นแบบนั้ น, นจริงนะมันจะมันจะเรียกว่าเห็นความจริงอีกอย่างก็คือว่ามันเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เราเห็นความเห็นผิดที่เราไปคิดว่ามันเป็นของเรามันเป็นกายของเรานะมันจะเห็นความเห็นผิดนะสาระยะที่ผิดก็ ค, คือความ คิดมั่นถือมั่นว่าการนี้เป็นของเรามันจะหมดไปถ้าเราเห็นกายในกายอย่างแจ่มแจ้งจริงมันจะเห็นว่ากายมันก็เป็นสัแต่ว่ากายนะตักแต่ว่าเป็นรูปนะที่ที่อาศัยกิงแค่นาฬิกเท่านั้นเกินแค่อาศัยเพื่อแช้งานเท่านั้นแต่กายไม่ใช่เราเราไม่ใช่กายนะเราจะดูไปที่เห็นความจริงตรงนี้ ตอนนี้นะถึงจะเป็นการปฏิบัติวิปัสนาเนาะเราจะแสดงเราจะไปเข้าข้อที่ไหนชื่อเขาว่าวิปัสนาทางสติปัญฐานก็ดีแต่ถ้าเรายังไม่เห็นไม่สามารถแยกได้ว่าก า, กายก็เป็นเรื่องของกายเนะี่ยกายวิเครเราเนี่ยเราก็ยังไม่ถึงวิปัสนานะเนาะเราเต่ก็ยังเป็นขั้นที่เื้องต้นฝึกฝนอยู่อันนี้อีกอย่างหนึง่งแม้เราจะดูกาย ตอนนี้เราเห็นใจเราไหมใครเครียดบ้างรู้สึกไห ม, มฟังแล้วไม่เข้าใจฟังแล้วยากค <c ười> ิดตามไม่ทันนะย่อยไม่ได้นะเข้าใจไม่หน <c ười> ูไม่เป็นไรเนาะไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเนาะฟังเไปนะบางทีผู้ใหญ่ยิ่เข้าใจนะ <c ười> ผู้ใหญ่ก็ไม่เข้าใจนะ ก็าการที่เห็นว่ากายไี่ใช่เราเนี่ยมันมันไม่ง่ายนะเพราะเราคิดว่าเป็นเราที่เกิดออกมาจากท้องแม่แล้วก็โตขึ้นมาเป็นเด็กโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่บางคนตอนนี้ก็เป็นคนแก่ละอ่นะมันจะเห็นเป็นเราที่มันพัฒนาต่อเ น, นื่องนะแต่ที่จริงมันเป็นมันเป็นเพียงแค่สภาวะที่มันต่อเ น, นื่องนะของของร่างกายเีเฉยๆนะ แร่ก็ดูลงไปน่ภาวะมันเกิดขึ้นนะเหมือนอย่างที่เขาว่านะเหมือนเขาทํานําตะตูนะมันก็เป็นเป็นภาพที่มันต่อเนื่องมันเหมือนเคลื่อนที่นะเป็นเอมิเอมิเชที่มันสร้างการเคลื่อนไปที่มันต่อเนื่องกันแต่ที่จริงร่างกายมันก็เป็นแบบนั้นแหละนะมันหายใจแล้วก็หยุดแล้วมันก็หายใจออกนะมันก็สลับกันไปเรื่อยๆสภาวะที่มันตั้งอยู่ มองกายดูแบบนี้จิตใจเองก็เหมือนกันนะถ้าเรามีสติดูกายเราก็จะมีสติเห็นจิตใจด้วย จ, จิตใจเราภาวนาเนี่ยทําไม้ภาวนาเพื่อให้มันสงบเพื่อให้มันนิ่งเพื่อให้มันไม่คิดอันนั้นไม่ใช่ทางสติปัฏฐานนะไม่ใช่ทางอภิปัฏนากาไปวัดแบบสติปัฏฐานหรือเพื่อให้สู่อภิปัฏนาเกิดปัญญาเนี่ยไม่เอาความสมงบนะ ม, มันสงบ ก็รู้ว่าสงบรู้สภาวะนะมันไม่สงบแต่เขารู้มันไม่สงบรู้รู้เหมือนเหมือนดูปืดดูจิตนะดูจิตใจเขาแสดงละครให้เห็นเหมือนเราดูเด็กเขาร้องไห้เขาหัวเราะท่านเขาดีใจก็เสียใจเขาบึ้งบ้างนะแต่ก็ดูไปแล้วก็โอมยิ้มดูดูเด็กเนาะแต่ก็ไม่ต้องมีรูปของเด็กมันเป็นเรื่องทําเด็กเราเห็นเด็กเขาร้องไห้ เขาจะเป็นเดือดต้อนเด็กเขาหัวเราะเพิไม่ใช่ไปดีใจแล้วก็ต้องแบบนั้นตลอดจิตใจข้างในก็เหมือนกันนะบางวันหรือแม้แต่วันหนึงบางทีก็เปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็ซึมซึมเดี๋ยวก็เศร้าใจมันก็เปลี่ยนไปนะขึ้นขึ้นลงๆสุขๆทุกข์ๆเราดูเห็นมันเปลี่ยนแปลงที่จริงมันเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันมีเหตุ เหตเพราะว่าเรามีสัญญาอะไรบางอย่างในใจพอมันกระทบแล้วมันก็เกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจขึ้นของมันเองมะัำเก่งไหมเวลาเราเห็นหน้าใครบางคนบางคนเราก็รู้สึกคนนี้ถูกใจบางคนเราก็เห็นหน้าบางคนรู้สึกไม่ค่อยถูกใจตานะถ้าเป็นของมันเองนะไม่ใช่ว่าอยากจะนั้นนะอยาเห็นเด็กก็จะน่ารักสิเพราะบางคนอาจจะชอบเด็กแต่บางคนเห็นเด็กแล้วก็ เด็กมาปฏิบัติทําเด็กเปลี่ยนหน้าหรือเปล่านาะอืมเออก็อาจจะดังทานนะอืมอันนี้ไม่ได้ว่านะคือมันเป็นของมันเองนะบางทีเราจะมีประสบการณ์บางอย่างบางคนว่าเออน่าชื่นชมเด็กมามาด้วยบางคนก็เด็กจะปฏิบัติได้หรือเปล่านะแต่ทจริงทุกคนปฏิบัติได้นะอืมปฏิบัติได้นะเด็กเจ็ดขวบบางทุกทำก็มีบางทีสภาวะจิตใจนะ ไม่ใช่อยู่ที่อายุหรอกบางคนเกิดมาเนี่ยเขามีเขามีอะไรติดตัวเข้ามาเห็นไหมบางทีเราเคยเห็นรูปเห็นลางแล้วไหยบางคนเด็กเกิดมาบางคนอัน่มันนิ่งมันบอกง่ายมัญฉลาดนะมันดูเป็นผู้ใหญนะ่ในภาพเด็กแต่บางคนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วยังเป็นเด็กอยู่ก็มีนะมันต่างกันนะเพราะแต่ละคนก็มีปฏิปัญญา มาจากอดิตชาติเยอะแต่อดีต เ, เราจะเป็นอะไรเราก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเราม า, มาเรียนรู้มาฝึกผ่านตัวของเราเองนีง่แหละมันก็ดีไม่ต้องไปงค้ายไม่ต้องเวลาปฏิบัติทำนะอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นถ้าจะเปรียบเทียบก็เปรียบเทียบกับตัวเราเนะนี่ยแหละนะเช่นเราภาวนาเนะี่ยถ้าเราเห็นว่าแต่เดิม หือว่าจิตนิสัยของเราเป็นคนที่หงุดหงีนะบางคนที่หงุดหงีเห็นอะไรไต้องหงุดหงิไม่ค่อยพอใจอันเรียกว่าโทสัตจิตหรือบางคนก็เป็นโลพัสจิตนะมีความรู้สึกอยากได้ไม่ค่อยพอใจคืออยากจะได้ให้มากที่สุดนะมีความสุขตอนได้นะได้แล้วก็ก็เฉยๆไปนะอยากจะได้นั่นได้นี่นะ หรือบางคนนะก็เป็นคนที่ชอบความุ้ยฟังงามนะเป็นโมหะชนิดนะเห็นอะไรเคยงพนางนี่ก็ไหลไปได้ยิเสียงฟอกก็ไหลได้เห็นภาพสวยแพร่ก็ไหลเห็นอะไรก็น่าชื่นใจไรมันก็ไม่เหมือนกันนะให้เราดูที่ตัวเราเองแล้วเราจะจับทานชนิดนิสัยในใจได้เมื่อเราจับทางชนิดนิสัยในใจได้ก็เมื่อมันโกรธขึ้นมาแล้วเราจะเห็นนะ เมื đã, ỏi, th th c, nh, ่อมัญอาขึ้นมาแล้วมันจะเห็นเมื่อมันเกิดความพอใจในรูปที่เห็นมันก็จะเห็นนะพอเราจับเห็นบ่อยๆเอ๊ะมันหลายปแล้วไหลไปแล้วไหลีปแล้วเมื่อไหร่ที่เรารู้ทันแล้วมันไหลไปแล้วเนียเมื่อนั้นอ่ะมันไม่ไปแล้วนะมันจะกลับมาแต่กลับมาก็คือกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวแต่ต้าพักขนาดจะไหลอีกอ่ะก็ไม่เป็นไรพอไหลไปแล้วเรารู้ทันมันก็จะกลับมาใหม่อะ มัอนเราเลี้ยงเด็กเนาะบทีเด็กก็ออกไปวิ่งเล่นล่างเราก็เรียกเขากลับมานะเราก็เรียกเขากลับมาบ่อยๆเด็ก ม, มันก็ไม่ไป ไ, ไ, ไม่อันตารายแต่ถ้าเราไม่รู้ตัวนะเด็กเขาออกไปนอกบ้านไปข้างถนนอาจจะเกิดอันตารายได้ใช่ไหมเพราะเราผู้ปกครองไม่ดูแลดีใจก็เหมือนกันนะใจมันจะไหลบ่อยไหลไปทางตาบ้างใครจะเห็น เไปเดินข้าเนี่ยเห็นกระเป๋าลดร า, า, น, านไหลหรือไมเนีหูได้ยินเสียงเป็นอาจารย์ตุ้มต้องไม่ฟังว่าเซ็นท่านตลดราคา90เรนเะใจยังไหลไหมไ้ยินเสียงนะอืมเร็จจานนี่จะไปเป็นท่าน1 90เปอร์เ <c> ซ <oughs> ็นตะ์นอไปไหม <c oughs> อมนะแค่ได้ยินบางอย่างก็ อ, อยากจะไหลไปท้านนะอืมอันนี้ไม่ได้ขิด น, นะ หรือบางคนชอบฟังเพลงเนาะเพลงนี้เราวู่งกินมากชอบมากแต่ยินเสียงแว่วๆมาก็ยินไปกับสิทีไ่ได้ยินอ่าหรือบางทีเราก็เนี่ยเสกไหลาทางตาไหลาทหหลางหูแต่ทํางอะได้วยกันนต่างๆนี่แหละแต่สิ่งที่มันไหลมากสุด ค, คือทางใจใจมันไหลไปบ่อยบางทีก็หลไปอดีตบางทีก็ไหลไป อ, า น, าไปอนาคต ใครเคยเห็นใจที่ไหนบ้างนั่งหรือดีเห็นไหมใจมังไหลไปคิดเรื่องราวในอดีตไปคิดความกังวลหรือว่าบางทีก็ฝันหวานในนาคตเนาะบางคนก็ชอบฝันหวานในนาคตบางคนก็กังวลในนาคตนะยิ่งเราภาวนายอะๆเนาะมันจะเห็นพวกนี้บ่อยๆพอเราเจริญสตินะเราไม่ปวดอารมณ์พวกนั้น มันจะเห็นมันพั่งพัวออกมาเลยนะุ่มปล่อยให้มันออกมาเลยนะให้คิดนะแต่อย่าไปคิดว่าภาวนาแล้วมันไม่สงบมันมีความคิดเยอะมากเลยผิดหรือเปล่าพรูอาจารย์อาจารบอกไม่ผิดนะให้มันปล่อยออกมาเลยมันเป็นมันจะมีการเปิดเอยตัวตนที่แท้จริงของกิเลสที่มันเก็บไว้ภายในแต่หน้าที่ของเราคืออะไรปล่อยให้เขาแสดง เราก็ดูงมันแสดง ด, ด, นะดูใจมันคิดนะดูใจมันรู้สึกแต่อย่าปิดปรุงกับมันนะหน้าที่ของเราก็คือแค่เห็นว่ามันคิดแต่เราไม่ต้องไปปรุงแต่งกับมันต่อการที่ปรุงแต่งกับมันต่อมีสองทางก็คือหนึ่งคือเราไม่ปรุงในการไปผสมลงกับเรื่องราวที่กำลังคิดอีกอย่างที่สองก็คือ เราไม่ไปปุงในการพยายามห้ามพยายามที่จะ บ, งบังคับให้มันกดปดให้มันไม่คิดอันนี้คือการที่เราไปแทกแปลงอันนี้ก็ไม่ควรทําเนาะก็คือว่าอย่างหนึ่งก็คือการไม่ปไปโด่งไปคิดต่ออีอย่างหนึ่งก็คือการที่ไม่ไปพยายามห้ามไปกดไปบังคับเขาไว้อันนี้คือการที่เราไปมีการปรุงแต่งกับมันต่อเนาะคือเราไม่รู้ทันความพอใจหรือความไม่พอใจ ปล่อยให้มันสแสดงนะแล้วก็แค่ดูเฉยๆนะถ้าเราดูเฉยๆเนี่ยนะมันจะหยุแดแสดงชั่วข่าวแต่แต่การแสดงของละครคณะนี้นะเขามีกิเลสตัณหาอุปาทานเป็นพวกตรงตับอยู่เบื้องหลังยังมีอยู่จะมีนายทุนที่อยเหตุหลอกร่อสแสดงขึ้นมาบไไ่อยมันก็ย่อแมแสดงขึ้นมาอีกนะเมื่ อ, อไรที่เราเืลอมันก็จะเผลอคิดอีกแล้ว ก็ไม่เป็ในหน้าที่เราก็แค่ิรู้ใหม่เนี่เราก็จะเห็นนะของรู้สึกตัวมันจะเห็นเห็นกายเห็นใจเขาสแสดงให้เห็นเมื่อเราเห็นกายเห็นใจเราจะแยกได้ว่าอู้อันนี้คือกายก็สัต์แต่ว่ากายอันนี้นะจิตใจความคิดก็สัต์แต่ว่าความคิดจิตที่มันปกติอยู่เนะี่ย มันไม่เป็นอะไรมันเป็นธรรมดามันเฉยเฉยแต่เมื่อไรที่เราเผลอเราก็เลยไปนหนุว่าตายเป็นเราเราก็เลยไปคิดว่าความคิดนี้มันดีมันไม่ดีเราชอบเราไม่ชอบแต่พอสติรู้ทันมันก็ถอนกลับมาจากความคิดนะคีย์เวิร์ดที่สาคัญของการภาวนาคือการสัมผองรู้สึกตัวนะโยน การเจริญสติหรือการกดวิปัสนาคีวัตที่ททำสำคัญตือการของรู้สึกตัวไม่ว่าจะวิธีไหนก็แล้วแต่นะจะดูลงหายใจแบบพันามฟันสติจะยกมือสร้างจังหวะเคลื่อนไหวแบบหลวงพ่อเทียนจะจะดูท้องทองยุบหรือแม้แต่จ ะ, จะบริกรมอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัว ยากที่จะเกิดปัญญาหรือตรื อ, ร อ, อย่างว่าถ้าไม่มีความรู้สึกตัวไม่เกิดปัญญาที่แท้จริงหรอกอย่างมากก็ได้เกิดแค่ความสงบนะความสงบอย่าสมาธิแต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยสติัมปัญญะมันพัฒนาเรื่อยมันจะเห็นเห็นรูปนเห็นนามแยกยุคแยกอาการของรูปของนามได้พัฒนาไปนะั่านเห็นความจริง ธรรมดาของรูปธรรมดาขอ ง, งานเป็นแบบไหนเนี่ยปัญญาเดี๋ยวเ น, นี่ยนะมันจะใส่ถอนความเห็นผิดนะที่จริงตัวตนที่แท้จริงของเราไม่มีนนะเราเป็นแค่เห็นผิดปัญญาก็คือเห็นว่าเราเห็นผิดนดั่นแหละปัญเกียดเองนะอ่าวิชาไม่ใช่ว่าเราไม่รู้แต่มราคือมันรู้ผิดนะมันรู้ผิดมันเข้าใจผิดการที่เรามาฝึก ใหม่ก็คือฝึกให้มันรู้ถูกเห็นถูกนะวันนี้คือเรามีสติเราจะเห็นสิ่งที่มันถูกต้องเรากลับมาดูกายดูใจแต่ก่อนเราคิดว่ากาย ใ, ใจเป็นเราดูไปเรื่อยมันแสดงทุกอย่างนะว่ามันไม่ใช่เราให้เห็นแต่เราอย่าไม่ยอมรับมันนะเรารื้แต่พง่ายทุกคนมีความรื้อ น, นะแต่มาเองก็รื้อนะ ถ้าใครไม่ือเนี่ยฟังคำทั้งเดียวเนี่ยจิตมันเปลี่ยนนะนะเพราะว่ามันมันยอมรับความจริงง่ายๆแต่ทุกคนมีความดื้อนะดื้อเพราะว่ามันมันโดยคิดจะจริงอาจจะเชื่อนะแต่โดยใจมันมันขัดขัดแย้งในใจมันยังเห็นว่ามันเป็นเราอยู่มันอยากอยากให้มันสุขอย่างเดียวอยู่มันอยากจะให้มันบังคับบัญชาจัดการได้อยู่ อันนี้คือความรื้นที่มีกันทุกคนนะแต่เรามาฝึกนิสัยใหม่ก็คือมาเห็นความจริงแล้วก็ลองดูวางใจให้มันแบบสบายๆดูแค่ดูมันดูมันไม่ไปตัดสินมันนะให้ตัดสินเอาความชอบเอาความไม่ชอบนะไม่ตัดสินเอาดีหรือไม่ดีไม่ตัดสินเอา มันสมเหตุสมผลหรือเปล่านะไม่เอาเท่านั้นนะไม่ปจัจจนาเหตุผลก็ไม่เอานะเราจะคิดดีจะรู้สึกอะไร อ, อย่าเอาเหตุเอาผลมาคิดตรงนี้นะเออถ้าเรา เ, าเหตุเอาผลมาคิ ด, นะนคดนะนเนี่ยมันจะหลงติดคิดการภาวนาจริงเนี่ยมันอย่างที่หลวงพ่อชาท่าบนบอกนะนอกเหตุเหนือผลนะคือ หรือหลวงิดหลวงพ่อเขเขียนทีเขาบอกว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยนะไม่มีถูกไม่มีผิดนะไม่เอาเกียรตไม่เอาผลนะไม่ใช่ว่ามันนี่ไม่มนีนะแต่บางทีเราทุกข์เพราเราไปเอาไปยึดนะไปหลงแต่เราภาวนาเนี่มันจะคิดดีไม่ดีแค่รูนะมันจะสุขจะทุกข์ก็จะมีแค่รู้เฉยๆไม่เอาทุกอย่าง แค่รู้นะสําคัญเือแค่รู้ ร, รู้ตัวไปเรื่อยๆการแค่รู้นั่นแหละคือใจเราเป็นกลางใจเราจะเป็นผู้ดูพอดูแล้วเดี๋ยวมันจะสอนเองนะแต่มันก็อยค่อยส อ, อนเองถ้าเราเพียงแค่ดูมันจะเผลอเปมีอคตินะอคติในใจอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้อยากได้อันนี้ไม่อยากได้แต่ถ้าเราแค่ดูเนี่ย เพราะเเป็นของเขาแบบนั้นเมื่อไหรที่เราเห็นว่าเขาเป็นของครั้งแบบนั้นแหละวันนั้นจิตมันจะปล่อยวาง ม, มันจะยอมรั บ, บความจริงแล้วปล่อยวางได้นั่นเราก็ดูแบบนี้เนาะการภาวนาแค่กลับมารู้สึกตัวเปบ่อยนั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกว่านั่งยกมือก็รู้ว่ายกมือนะแต่ไม่ใช่พูดไม่ไม่ใช่คิดเนะรู้สึก คือกลับมาดูนะกลับมาดูเดินก็รู้สึกมาเลยไม่จริงอย่างที่เราสวดนะแม้แต่การถ่ายปฏิวะถ่ายปฏตสนธิถ่ายถูกจรักเนี่ยเราก็รู้สึกได้บางทีถ้าเราไม่รู้สึกตัวนะเราก็จะทําบางอย่างที่มันแบบจงใจเดินไปอยากที่มันเสร็จเร็วแล้วก็ไดเร่งมันใช่ไหมฮะอันนี้คือเราจมใจเดินไป เราเดินก็เหมือนกันถ้าเราไม่รู้สึกตัวเราก็จะรีบเดินให้มันถึงให้มันถึงเป้าหมายใช่ไหมนี้คือความรีบเรากิงข้าวแล้วคิดถึงงาแล้วก็รีบกินให้มันเสร็จเราก็เลยมีรู้สึกตัวการรู้สึกตัวเนี่ยมันจะทําให้เราทำอะไรพอดีพอดีอดอดนะคําว่าพอดีเนี่ยอาจจะแค่มีเวลาที่ไกลตัวนะแต่พอดีเราจะรู้สึกเลยว่ามัน มันผ่อนคลายกับตัวเรายกมือท่านสบายก็เหมือนกันอาจจะไมมีจังหวะเป๊ะๆให้กับทุกคนแต่เราจะรู้สึกได้เองว่าขนาดนะี้พอดีกับเราหยุดขนาดนี้เคลื่อนขนาด น, น, าดนี้มันพอดีของเราถ้าเคลื่อนเร็วไปเก่งไปตั้งนแรงเกินไปมนอาจจะเครียดหรือถ้าแบบเบาๆเกินไปก็ฟุ้งซ่านมากเราต้องดูตัวเรานะ เดินเป็คนคงก็เหมือนกันตอนเดินบางทีบางคนเดินช้าแล้วรึกอัดเดินช้าแล้วก็รู้สึกว่ามันมันไม่ผ่อนคลายไม่เป็นธรรมชาติอ่าเราก็ต้องปรับให้เดินเร็วขึ้นเดินให้ผ้าที่สบายขึ้นแต่บางคนเดินเดินเร็วเกินไปก็คิดมากนเราก็ต้องเตั้งใจทั้นหน่อยนั่นคือความขอดีมันต้องอยู่ที่ตัวเราเอง แล้วก็อยู่ที่ขนาดนั้นๆเลยนะบางขนามันง่วงนอนก็ต้องเดินเร็วขึ้นนะบางขนาดนนนามันง่วนอนก็ต้องเดินเร็วขึ้นบางขนมันง่วงนอะนก็ตองเนร้างขนาดมันง่วงอกตเดนินจําวขนะางขนับง่วงนนก็ต้องเดาเป็นการปราับงนอนก็้งเดินร็วนบางดมังอนก็้งเดินเร็วขึ้บางห้ามันงวนอน้อนขึ้นน บ, บายขด ม, มันง่วนก็ส บ, บายเรขึ้นนะางขบนี้ก็ต้องเดูนเข้นนะบางขามพอดี ความเป็นกลางก็คือการปรับกลับมาสู่สภาวะใจที่เป็นปกตินั่นแหละปรับที่กายช่วยก็ได้หรือว่าการแค่รู้ทันสภาวะใจพอเราเห็นว่ามันตั้งใจนะมันก็จะเลิกตั้งใจของมันนะพอเราเห็นว่าใจมันมันฟุ้งไปมันก็จะกลับมาหาความเป็นปกติของมันเอง นะั่นคือเราทําแบบนี้บ่อยๆเนอะทําไปจะฟุ้งบ้านก็ไม่เป็นไรนะจะเบื่อบ้านก็ไม่เป็นไรนะอืมแตไม่เข้าใจบ้านก็ไม่เป็นไรทําไปแบบเอาความเพี้ยนนาหน้านะแต่ก็ให้มีปฏิปัญญาในการปรับนะปรับไปด้วยนะก็คือพยายามทำเยอะๆนะรู้บ้านหน่งบ้านไม่เป็นไรนะ เราเดี๋คิดว่ามันต้องรู้ตลอดให้มันรู้บ้างเผลอไปบ้างก็ไม่เป็นไรเผลอต้องกลับมารู้ตัวใหม่ไม่เป็นไรแต่เราทํำเยอะๆเนี่ยมันจะรู้ของมันเองมันจะรู้ของมันเองะชั่วโมงนึงเาจะรู้บ้างดวงบ้างขึ้นอย่างละขึ้นมันก็ดีนะแต่ถ้าเราทำสองชั่วโมงก็เท่ากับเรารู้ตัวอย่างไรกันเต็มที่ก็หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมมันก็ดีกว่าเรา ไม่ขยันนะก็ปล่อยให้มันคิดไปเรื่อยแล้วก็ทํำเยอะนะตกโกรธไปบ้างกนะ็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเพราะอะไรเพราะสติปัญญาเราเนี่ยไม่เต็มที่มันนี่พกภูมิของเรารือสภาวะของเราตอนนี้ยมันไม่สามารถที่จะรู้ตัวได้ตลอดเวลาต่อนะมันไม่รู้ได้ตลอดนะเพราะมันก็ยังมีอัวิชาคือความหลงอยู่นะมันจะไม่รู้สติที่มัน ยังมีรู้อีกเยอะมากนะแต่เราก็้าพยายามฝึกความรู้ตัวทีละขั้นหนาเรารู้ตัวทีละขั้นนาเนี่ยก็ถูกแล้วนะแค่นี้พอละแต่ตอนนี้รู้แล้วก็วางแล้วก็รู้ใหม่นะเช่นเรายกพิกมือรู้สึกตัวนะก็าวางความรู้เมื่อกี้รู้ใหม่นะรู้ใหม่รู้ใหม่รู้ รู้ไหน่นะเราต้องราาของเกา่าไม่เอาต่อบรับส่วนมันต่อนะไม่แคร่รู้ไม่ไม่เอารู้แบบยาวๆนะไม่เหมือนบางคนเคยเล่นเป็นพวกไทเก้เขาเลยนะด่ามวยิี ท, ท, ทีมันรู้แบบเหมือนลาดนะให้มันให้ใจไปอยู่กับการเคลื่อนไหวตลอดเนื่องทําไปได้เลยไดสมาธิได้ความสงบ แต่ไม่ได้เกิดปัญญานะมันได้ความสงบเฉยๆแต่ถ้าเราแค่รู้เห็นกายเขาเคลื่อนใจเป็นผู้ดูเฉยๆนะมันจะไม่เข้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยตอนนี้ยาสตร์สาคัญ น, นะบางคนบอกว่าไทเก๊กโยคะหรืออะไรก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้แต่ก็ต้องเข้าใจนะปฏิบัติธรรมา ท, ท, ทีมันมีสองแบบแบบหนึ่งคือได้แค่สมาธิแได้แค่ความสงบ แต่จะได้สติปัญญาเนี่ยต้องมีความรู้ตัวไม่เข้าไปอยู่กับมันนะเพราะนั้นเราต้องทำไม่ใช่เพีนงแค่ได้สมาธินะแต่ต้องดูมันะปะฏิเสนมันนะนลังจะไปกินกับมันนะสิ่งสำคัญคืออย่าไปจ้องอย่าเป็นเพ่งนะเผ่อบ้างไม่เป็นไรก็ดูมันไปเรื่อยๆนะ ตอนนี้มีใครยังไม่เคยฝึกแบบหลวงพ่อเพียนบ้างนี้ไหมคนเดียวที่เดือดใครฝึกแล้วเนาะหนูเคยฝึกไหมนะฝึกที่ไหนอ๋อท่อเหรออ๋อฝึกท่อฝึกให้ไนยกม้วพ่อตไหนที่ ยกมือให้หลงพ่อเลยเป็นมือเปดสีจังหกันไหนเป็นไงตอนยกมือเห็นอะไรบ้าง เห็นอะไรวะเห็นมือมันยกไหมเห็นไหมรู้นะหูนมีความเกรงไหมมีแต่คนมองหนูคนเดียวเลยเห็นไหมไอ้นี่แต่หนึ่งข้อถามหนูไอ้นเคยนะ เราต้องรู้ว่าเกินเหรอไม่เป็นไรนะแน่แบเนี้เขินรู้มันเห็นเห็นกจมันเกินไหมแล้วมองหน้าหลวงพ่อได้เลยเขินน้อยลงนะจริงนะตอนตอนเขินมันต้องม้วนเสื้อมันต้องมองไปทางอื่นาอเขินน้อยลงมันก็มองหน้าคนพูดได้น้อก็เขิรู้สึกไหมแบบนั้นเช่นบางทีอย่างตมาตอนเป็น เด็ยไม่ต้อง็นเด็กแต่โตผูต้ใหญ่นะเรียนมหาลัยแล้วยังถ้าต้องพูดหน้าชานี้จะไม่ไปมั่นใจตัวเองนะก็จะเถื่นนะก็คือมีความไม่มั่นใจนะไม่กล้าสกตาหรือพูดแล้วก็มันมันอะไรมันก็ติติดขัดขัดนะมันก็มันมันมีความกลัวไปไนะเพราะเราไม่เห็นความความไม่มั่นใจในใจของเรา มันก็เลยแสดงออกไปแบบนะ้แต่พอถ้าเราเห็นนะมันค่อยๆลดลงไปหนเองมาดีแล้วก็คนไม่มากนะวันนี้ก็จะได้มีเวลาปฏิบัติมากขึ้นเนาะก็ให้เราไปดูจะนั่งปฏิบัติที่ตรงนี้ก็ได้หรือว่าชั้นบนอีกสองชั้นก็ไปเดินจงกกงหรือไปนั่งยกมือไปได้เนาะ ก็อนส่วนใหญ่ีคนเก่าวั้งนั้นก็ให้มีเวลาได้ปฏิบัติดูถ้าใครสงสัยเข้าใจว่าก็มาถามอาจามาหรือพระอาจารย์ต้องนับให้เวลาปฏิบัติสองปฏิบัติที่เงียบของเราดูดูกายเดินดูกายมันยกมือนะดูความคิดมันโผล่แทกข้สมานะบ่อยๆต้องทํามือเนาะเกิดใครแนี่เลยปฏิบัติก็ก็มาข้างหน้าเนาะเดี๋ยวจะได้ แนะนำกัรยกมือสรางจังหวะภายในจมกบ า, คา ง, ง ค, ค, คนก็เคยไปจะงหวแล้วก็จะอยู่ในห้องนี้ก็ได้หรือข้างบนก็ได้ฮนะเดี๋ยวประมาณสิบเอ็โมงยี่สิบก็ค่ยกลับมาเจอกัน ท, ท, ที่ตรงนี้